ไม่มีคำว่าการแบ่งสู้แบ่งรับสำหรับภิกษุบริษัทเราพูดอย่างตรงไปตรงมากับความกิงทั้งหลายที่ทำท่านระบุไว้ระบุไว้ด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงสำคัญอยู่ที่การจดจ่อด้วยความกิงใจในข้อาทข้อธรรมที่ครูอาจารย์แนะนำสั่งสอน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 เพราะท่านสมบูรณ์แล้วทั้งสองคือเหตุและผลเต็มมีในหัวใจท่านแล้วการสอนจึงไม่มีข้อบกพร่องและไม่สอนด้วยความสงสัยถอดออกมาจากความรู้ความเห็นอันเป็นอยู่ภายในจิตใจล้วนๆสู่จิตใจของผู้ฟังทั้งหลายเต็มเม็ดเต็มหน่วยหากผู้ฟังมีความสนใจใคร่ต่อข้ออัดข้อธรรมด้วยความจริงใจแล้ว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 จะเป็นประเภทใดเราก็ได้ศึกษาเ ร, าเรียนมาจากปริยัติหรือจากครูจากอาจารย์อยู่แล้วว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นปัญญาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ตลอดถึ้งมิมุติหลุดพ้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นข้อศึกษาที่ได้รับมาแล้วจากครูจากอาจารย์และจากตำหลักตำหลับัดนี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะตามร่องรอย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 คืออะไรเป็นเหตุทุกข์จึงได้เกิดขึ้นก็ได้แก่สมุไทยนั่นนี่แหละคือการร่องตามร่องรอยหาความจริงทุกข์เป็นความจริงหรือเป็นพื้นฐานอยู่แล้วภายในกายในใจของเราสมุไทยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วภายในจิตมีกาฏาฏันหาภระวะัฏันหาวิภวะฏันหาเป็นรากันสําคัญหรือเป็นรากแก้วอันสาคัญของกิเลสทั้งมวล นี่ก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วคือความจริงแต่ละประเภทประเภทที่กล่าวมานี้ที่นี่มักได้แก่อะไรคาําว่าสาวหายเหตุที่เกิดขึ้นจากที่ที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือสาวหายเหตุของทุกข์คืออะไรจนกระทั่งทราบว่าคือสมุทัยนั้นได้แก่มักนี่ นี่มร ก, ก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเป็นความจริงอันหนึ่งท่านจริงได้ว่ามรคาอริยสัจจังมาารคาสั์ก็เป็นความจริงอันหนึ่ง เ, เมื่อเราพินิษพิจารณาตามข้อมรที่แสดงไว้นี้คำว่านิโรธเมื่อทราบต้นเหตุของสมุทยัยโดยลาดับลาดาไปแล้วเรื่องของทุกการดับเรื่องของการดับทุกก็จะระงับดับลงไปเพราะ ตัวเหตุคือสมุทรไทยมีกําลังอ่อนลงไปด้วยอํานาจแห่งมรรคปราบปรางนี่นางนี้เป็นต้นท่านเรียกว่าความกิงเราทั้งหลายปฏิบัตินี้คือตามร่องรอยแห่งความกินความกิงมีอยู่เป็นพื้นฐานภายในจิตใจของเหล่านี้เป็นอันดับหนึ่งส่วนกายวาจาเป็นอาการของทุก์เพียงเท่านั้นถ้าเป็นต้นไม้ก็เพียงกิ่งเพียงก้าน แล้วสาวเข้าจากกิ่งก้านก็จะต้องเข้าไปสู่ลําต้นและลากแก้วลากฝอยข้องมันนี่นะเมื่อสาวลงไปก็จะถึงตัวของสมูทยัยชิ้นเอกได้แก่อวิชาปฏิยาสร้างขาราดนั่นแลคือความกินอันเป็นรากฐานทําคัญของวัตจักรวัตกิจที่พาให้หมุนเยือนเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่หยุดไม่ยับยั้งตลอดมาและจะตลอดไป ถึงการไหนๆ ไ, ไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์ได้เลยนี่ทนเดียวกว่าพื้นฐานอันนึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นความจริงด้วยกันมีการปฏิบัติเท่านั้นที่จะสามารถทราบความกินทั้งหลายเหล่านี้ดังที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทรงทราบและทราบมาแล้วและนํามาปริ์สั่งสอนพวกเราให้เข้าใจอยู่เวลานี้พอได้ถือเป็นเป็นร่องเป็นลอยหรือเป็นแนวทางดำหน่อย ด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญอย่างยิ่งสําหรับนักบวชเราอย่าได้เผลอไผลกิจใจไปสู่กระแสะของโลกซึ่งเคยล่มจมกับมันมามากต่อมากแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะยังเราให้หลุดพ้นได้ไปได้เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นโดยเหตุที่เราหลงตม่ม <c oughs> นอกจากการรู้แจ้งแทงทะลุสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วปดเปลื้อง ปล่อยวางภาละอันหนักถอยเข้ามาถูกตัวของตัวโดยลำดับด้วยอานาจแห่งข้อปฏิบัติมีสติปัญญาเป็นสำคัญเท่านั้นนี่คือรากใหญ่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้การปฏิบัติจึงเป็นของจำเป็นมากในสถานที่นี้เราสงวนนักหนาสำหรับพระเนรที่มาปฏิบัติเราไม่อยากเห็นสิ่งใดที่เข้ามา ทำลายหรือเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญเพียรเพื่อชำระหรือฆ่ากิเลสสังหารกิเลสภายในใจให้พินาศจยบหายไปนอกจากการประกอบความภาคเพียรอย่างเดียวเท่านั้นอีกื่นการใดก็ตามให้ถือเสียว่าเป็นชั่วระยะการที่จําเป็นจะต้องจัดต้องทํานิดๆหน่อยๆแต่ไม่ถือว่าเป็นความจําเป็นยิ่งกว่าการบําเพ็ญเพียรเพื่อชำระกิเลสนี่เป็นหลักใหญ่ เื่อเห็นนี้ท่านผู้ใดก็ตามมาอยู่สถานที่นี้พึงทราบว่าเราสอนเพื่อทําเหล่านี้ทั้งนั้นไม่ได้ชมเชยกิจอื่นการใดว่าเป็นของเลิอของประเสริฐพอที่จะถือเป็นข้อหนักแน่นยิ่งกว่าการประกอบความภาคเพียรชําระกิเลสให้เห็นทั้งเหตุให้เห็นทั้งผลทั้งฝ่ายมักและฝ่ายสมุูไทยแจ้งประจักษ์กับตัวกับใจของเราเองขึ้นเป็นลําดับลําดา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 เมื่อได้เปิดได้รื้อฟื้นความจริงนี้ออกให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนด้วยกันทั้งสี่ประการนี้แล้วความบริสุทธิ์หลุดพ้นของใจซึ่งจะเล็ดลอดออกมาจากอาการทั้งสีน่นี้ไม่ต้องมีผู้หนึ่งผู้ใดบอกเลยจะเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์หลุดออกมาจากอริยสัจทั้งสีน่นี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นอริยสัจสี่จึงเป็นฐานที่กันกรองจิตใจให้บริสุทธิ์ อันสองอย่างหนึ่งคือเครื่องผูกมัดได้แก่ทุกสมุทยัยถ้าจะพูดถึงเรื่องมนทินก็คือธรรมชาติที่มืดตื้อที่สุดปิดบงังจิตใจไม่เห็นเหตุเห็นผลความจัดความจริงอันใดที่มีอยู่ทั้งภายนอกภายในตลอดที่ปังอยู่ภายในใจใจิตใจของตัวนี้เลยนี่เรียกว่าทุกข์กับสมุ ท, ทัยทีนี้มรรคเข้าไปแก้ตรงนั้นแหละนั่นหละทันว่าอริยสัจ เป็นเครื่องการกรองกิจให้บริสุทธิ์หรือให้ผ่องใสให้สงบเบื้องต้นหมายถึงความสงบต่อไปก็เป็นความสว่างกระจ่างแจ้งแล้วกับสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นโดยลําดับลําดาจนกระทั่งถึงความมืดตื้ออะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าสมุทัยทุกประเภทหมดสิ้นไปจากใจเพราะอํานาจของมรรคขยานนี่ ลงไปขั้นละเอียดแล้วเรียกว่ามัรขยานคือปัญญานี้ละเอียดแหลมผมมากที่สุดได้แก่ปัญญาขั้นที่จะสังหารกิเลสประเภทที่เป็นยอดแห่งวัฏจักรออกจากใจได้ได้แก่ปัญญายานดังว่านั้นนั่นแหละปัญญาขั้นละเอียดเหล่านี้แหละซึ่งอยู่ในวงของสัจธรรมด้วยกันเมื่อสัจธรรมมีมรรคสัตว์เป็นสาคัญได้ทําหน้าที่ของตนให้เต็มที่เต็ ม, ตมฐานแล้ว ถึงกับทุกได้ถึงกับสมูทัยอันเป็นรากฐานสำคัญคืออวิชชาได้กระจายหายออกไปจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละท่านนิโรธแสดงขึ้นเต็มที่คือดับทุกอย่างสนิทเพราะสมูทัยดับไปแล้วอย่างสนิทนี่หละความบริสุทธิ์ผุดขึ้นมาที่ตรงนี้เองนี่อริยสัจเจิงเป็นธรรมยืนยัน ความจริงเรื่องของมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงเมื่อเราทั้งหลายได้ดําเนินตามร่องรอยที่าศาสดาองค์เอกได้สั่งสอนไว้ไว้แล้วนี้จะไม่เป็นอื่นเป็นใดเลยเรื่องการถาาที่เวลเวลเาอันใดก็าตามไม่เป็นของสำคัญยิ่งกว่าอาเดียสัตว์ที่ปรากฏตัวอยู่ภายในกายในใจของเราีให้พึงกำหนดที่ตรงนี้โดยสม่ำเสมอ ยาได้ลดละความ้าคความเพียรอริยบททั้งสี่เป็นการเปลี่ยนทั้งธาตุขันทั้งบรรยากาศภายในจิตใจของเราให้ซึ่งมีความรู้สึกแตกต่างกันไปกันไปแล้วมีความตื่นตัวไปโดยลดับเช่นเราอยู่ในสถานที่นี้ความรู้สึกเป็นอย่างหนึ่งเปลี่ยนจากสถานที่นี้ไปสู่ที่อื่นเปลี่ยนไปโดยลำดับนับตั้งแต่สถานที่ ธรรมดายั ง, ด, ง, ด, งดังที่วัดป่าบันตาดเหล่านี้เข้าสู่สถานที่เปลี่ยวสถานที่น่ากลัวดังครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านพำํำเนินมาตั้งแต่ก่อนเพราะมีอันตรายมากไม่เหมือนทุวันนี้เช่นสับร้ายมีเสือเป็นต้นนี่เป็นความรู้สึกอีกอย่างหนึ่ง อยู่กับหมู่เพื่อนแม้ในสถานที่ยิเช่นนั้นเช่นนั้นก็ตามเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งแต่พอแยกแยะออกจากหมู่เพื่อนไปแล้วเข้าสู่แนวรกโดยหวังพึ่งทำอย่างเดียวเรียกว่าพึ่งตนเองโดยช้อมูลแล้วนั่นแหละความรู้สึกจะเปลี่ยนตัวไปโดยลำดับกำดาหนี่ท่านเรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให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 เมื่อเราไม่ได้สถานที่ฉะนั้นก็ให้พึงถืออริยสัจเป็นราักฐานสาคัญอยู่ภายในใจของเรายาปล่อยอยาลดละความภาคเพียนสติเป็นสําคัญมากนะแล้วการขบการฉันการพักผ่อนนอนหลับยาถือเป็นประมาณว่าเป็นความดีดความดีความสุขความสบายอันนี้เพียงเรื่องของธาตุของขันได้พักผ่อน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 ในขณะที่มันมีกําลังมากกําลังของกิเลสมากกําลังของมากคือสติปัญญาก็ด้อยลงเสียเช่นนี้แหละยิงต้องได้หาอุบายวิธีการระงับดับมันด้วยเหตุต่างๆเช่นอดนอนบ้างนอนแต่น้อยบ้างผ่อนอาหารบ้างอดอาหารบ้างเพื่อความเพียรของเราจะได้ก้าวเดินด้วยความสะดวกสบายแล้วขยําหัวกิเลสลงได้อย่างถนัดชัดเจนภายในจิตใจของเรานี่แหละ ผู้ปฏิบัติจำต้องทราบเรื่องเหล่านี้ด้วยดีถ้าไม่ทราบเรื่องเหล่านี้แล้วจะไม่มีทางก้าวเดินไปได้เลยเพึ่งสังเกตเจ้าของเสมอการประกอบความภาคเพียรยาศัก์แต่ว่านั่งเฉยๆยืนเฉยๆเดินเฉยๆนอนเฉยๆฉันเฉยๆชั้นมากชั้นน้อยเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อันใดถ้าไม่ใช้สติปัญญาพินิจพิจาราเพราะสิ่งเหล่านี้มันกลมกลืนปันไปกับ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 แม้ท่านผู้ได้หลักได้เกณฑ์พอประมาณแล้วท่านยิ่งรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ดีอ๋ยิ่งขยับเข้าไปในเรื่องความภาคความเกลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องารเรื่องขันเรื่องหลับเรื่องนอนเรื่องการขบการฉันท่านยิ่งระมัดระวังมากยิ่งกว่าเราทะเกีก่ตวกายอยู่ย่านี้เสียด้วยซ้ํำไปไหนถ้าถ้าเราจะว่าขั้นนี้เป็นขั้นทะเกีก่ตวกาต้องยากบ้างลําบากบ้างอย่างนี้จะ จ, จะหมายถึงว่าขั้นต่อไปแล้วจะอยู่สบายสบายมันก็ไม่ใช่นะพอถึงขั้นสะดวกสบาย ได้กําลังสติปัญญามากเขาเทะะ่าไรยิ่งขมักขเมนยิ่งเข็นกันลงหนักเข้าไปหนักเข้าไปเป็นอย่างนั้นนิสัยของผู้ปฏิบัติเพราะความข<ม>ี้เกียจขี้ค้านเหล่านี้มันเป็นกิเลสพอทํามีกําลังขึ้นภายในใจิตใจแล้วความภาคเพียรจะโหมตัวมาพร้อมๆกันเรื่องความอดความสนมันเป็นเดียวเดียวกันไปนั่นแหละหมุนตีอยู่กันไปเลยทีเดียวเพราะความมุ่งมั่นในตัวเองที่จะทําตัวให้หลุดพ้นแล้วขอย้อนพูดถึงเรื่อง ระหว่างความสุกกายกับความสุกใจมันต่างกันอยู่มากนะความสุกกายด้วยการหลับการนอนออการขบการฉันเพียงเท่านั้นและดังที่โลกโลกทั้งหลายเห็นดังที่เราเห็นตั้งแต่วันเกิดมามันสุขแค่ไหนไม่มีใครที่จะเอามาแข่งมาขันกันได้ว่าความสุขของข้าได้เลิศได้เลจริ่งกว่าท่านเพราะการกินมากนอนมากอย่างนี้เพราะการปนปลื้มันมาก ได้มีความสุขมากอย่างนี้นี้มันพอๆกันนั่นแหละโลกอันนี้ริงไม่มีใครดีกว่าใครเลื่อน ก, กว่าใครเพราะเรื่องธาตุเรื่องขันเพราะการบำรุงธาตุขันให้เต็มเม็ดเต็ ม, ตมหน่อยเต็มเหตุเต็มผล เ, เต็ ม, ตมความต้องการข้องหมัดแต่ใจนี้ถ้าลงเราได้บำรุงบำเรอด้วยอักด้วยธรรมดังที่กล่าวมานี้จะเป็นวิธีการใดก็าตามถึความสุขของจิตจะปรากฏเด่นขึ้นมา และแปรต่างจากความสุขภายในร่างกายนี้เป็นลำดับลาดาแม้แต่ขั้นจิตเพียงสักความสงบของใจเท่านั้นก็รู้สึกมีความตื่นเต้นแล้วสำหรับผู้ยังไม่เคยเป็นเลยพอสงบเย็นแล้วก็มีท่ามีทางทา น, านั่งก็ก้นก็ไม่ร้อนหนักยืนก็พอสบายไม่โอนไม่เอน็นไม่ดิ้นไม่รนกระวนกระวายเพราะความเดือดร้อนกระสับกระสายภาระจิตใจมันแผดเผา เพราะใจสงบเย็นยืนก็ตรงเดินก็สม่ำเสมออยู่ภายในจิตใจรียาบททั้งสี่เป็นรียบบทที่สม่ำเสมอด้วยอดด้วยทําไม่หิวไม่หงุดไม่โกลนกวายเพราะใจสงบนี่เพียงเท่านี้เราก็เห็นแล้วว่าความสุขนี้ต่างจากความสุขทางร่างกายเป็นไม่ไหนเนี่ท่านี้พอจิต นอกจากสงบแล้วยังมีความละเอียดแนมแน่นเข้าไปโดยลำดับข้อยิ่งเห็นความแปลกประหลาดแห่งความสุขของจิตไปโดยลำดับลำดากนี่แหละความต่างกันมันต่างกันอย่างนี้นี่คือความสุขด้วยธรรมไม่ใช่ความสุขด้วยอาหารการบริโภคปูนปนปลือกันต่างๆดังที่โลกทั้งหลายและเราทั้งหลายเป็นมานี่นเพราะฉะนั้นจึงให้แยกเรื่องเหล่านี้อย่าถือมาเป็นสิ่งสาคัญใน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 แล้วจากอันวันนี้ไปอีกจนกระทั่งถึงวันตายเราจะยึดหลักเหตุหลักผลหรือ ย, ยึดเป็นสาร ะ, ะเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายกับท่าที่น้ำหล่มผานี้ได้อย่างไรบ้างหรือไม่พอจะพึ่งเป็นพึ่งตากับมันได้จริงๆริงไหมเราต้องนํามาทดสอบระหว่างกายกับใจระหว่างโลกกับธรรมคือกายนี่หมายถึงเป็นเรื่องของโลกธรรมหมายถึงเรื่องของใจที่แฝงกับธรรมมีสมาธิธรรมเป็นต้นนี่ สมาธิทำเป็นหลักใจแล้วนี่เนี่ยถ้าเราจะเทียบกับเรื่องร่างกายของเราที่เป็นมาดังที่กล่าวมาสักครู่นี้กับเรื่องความสุขที่เป็นสาระซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจเพียงความสงบเท่านั้นก็เย็นใจแล้วมีความกระหยิมยิ้มย่องมีความหวังขึ้นแล้วภายในจิตใจเพียงเท่านี้ความหวังได้สร้างขึ้นพร้อมกันแล้วมากน้อยตามความสงบของใจนี่พอใจได้สมุบมากยิ่งกว่านี้ ยิ่งสว่างสวัยอยู่ภายในวงของสมาธินั่นแหละแต่ก็เป็นเรื่องแปลกประล่ะเป็นเรื่องอัศจรรย์อันหนึ่งภายในตัวของเราทําให้อบอุ่นทําให้เย็นใจทําให้สบายไม่ยุ่งเหยิงบุบไม้กับกิ่งทั้งหลายที่เคยสัมผัสสัมพันธ์เคยดิ้นรนกระวนกรวายกับมันม า, มามากน้อยเก่งไหลมันสงบตัวเข้ามาอยู่เรือนใจแห่งความสงบคือสมาธินี่โดยความสะดวกสบายนี่นี่แหละความสุขของใจ ความหวังเกิดขึ้นที่นี่สาระสําคัญเกิดขึ้นทนี่มากกว่ากายไปไหนนั่นเป็นแต่เพียงเครื่องมือสําหรับอาศัยใช้มันเท่านั้นถึงจะทุกข์ยากลําบากบ้างก็ให้มันเป็นไปเพื่อความภาคความเพียนอย่าให้มันเป็นไปด้วยความการเจ็บไข้ได้ป่วยทิ้งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อันใดโดยหาสถิตปัญญาพิจารณาไ ก, กลกรองมาได้ถ้าเวลาเพลินกับมันก็เพลินไปด้วยการอยู่การกินการหลับการ น, นอนนั้นก็ยิ่งเหลวยิ่งเลวไปไม่มีอะไรเป็นสาระเลยเพราะฉะนั้นให้ย้อนเข้ามา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 สมาธินี้เมื่อพอตัวแล้วเต็มที่เท่านั้นเช่นเดียวกับน้ําเต็มแก้วแล้วแม้จะเอาน้ำมหาสมุทรมาเทาก็เพียงแค่เต็มแก้วเท่านั้นไม่เลยจากนั้นไปนี่ทำมีความพอสาระสําคัญในสมาธินี้พอตัวแล้วมีความเ อ, อิบอิม่มมีความมั่นใจ ท, ที่นี้แยกจากสมาธิเพราะจิตมีความอิ่มตัวย่อมไม่หิวไม่กระหายในอารมณ์ทั้งหลายที่เคยเป็นมาที่เรียกว่าอารมณ์โลกโลกว่างั้นเถอะนะ อารมณ์ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเครื่องสัมผปัสัมพันธ์ที่เคยเป็นมาแล้วและจะเป็นมาเหล่านั้นมันปล่อยวางไปซะหมดดูในความสงบสบายทีนี้เอาปัญญาออกจนใหม่เราจะขยายความละเอียดแห่งจิตความละเอียดแห่งธรรมความสุขของจิตความสุขที่เกิดขึ้นจากธรรมให้กว้างขวางและละเอียดลอลงไปด้วยปัญญานี้เป็นของสําคัญมากยิ่งกว่าขั้นสมาธิ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 สติปัญญาไม่มีที่จะถอนตัวออกจากนั้นเพื่อก้าวขึ้นสู่ความละเอียดแห่งธรรมทั้งหลายให้เกินให้เลยกว่าขั้นนั้นขึ้นไปเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาอ้าวที่นี่ปัญญามีหลายขั้นหลายกลุ่มที่สําคัญที่สุดซึ่งมันคุกเข้ากันอยู่มีความรักความชอบความเกลียดความชังสั บ, ส, บ, ส, บสนปนเปกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินน่นอ น, น, นเวลานี้เพราะอะไรก็เพราะรูปรู ป, รปอะไรก็รูปกายรูปหญิงรูปชายเหล่านี้แหละเป็นของสําคัญเอาแยกเข้ามา ให้เป็นอสุภะเอาพิจารณาเรื่องอสุภะเป็นอย่างไรในกายของเหล่านี้มันคือกองอสุภะแท้ๆเรื่องความจริงแล้วเป็นกองอสุภะทั้งหมดไหนกองสวยกองงามอยู่ที่ไหนกองน้ําอบน้ําหอมอยู่ที่ไหนเอาดูที่กองที่เป็นเหตุใม่ลื่นเล็งมันถึงมีกลิ่นหอมหัวนชวนชมมีอยู่ที่ไหนในร่างกายของแต่ละคนละคนนี้ทำไมจึงยอมตัวให้กิเลด ت, มันเสกสันท่านยอลอกลวงมาต่อหน้าต่อตาทั้งที่ตาของเราไม่บอดแต่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 ความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางภาละอันหนักที่ว่าพาล า, หาเหวี่ปัญจขั้นถามันรับผิดชอบด้วยมันแบกมันหามด้วยอุปทานด้วยเพราะฉะนั้นจึงแก้กันด้วยอรุอภรายุพังพิณนิพิจนาทั้งภายนอกทั้งภายในได้ทั้งนั้นภายนอกเอามาแยกมาแยกสิเป็นอย่างไงดังที่พระเจ้าท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้ามันเป็นอะไรป่าช้า มันมีอะไรดิบดีอยู่นั้นมันเป็นตลาดล้านค้าที่ไหนพอที่จะเพื่อจะเพลินอยากต้องการนั่นซื้อสิ่งนี้มาประดับประดานเนื้อประดับประนาตดาตนประดับประดาบ้านเดือนก็คนตายทั้งนั้นอยู่ในป่าช้านั่นแหละท่านเพิ่เจนาป่าช้าเมื่อพิจาจนาป่าช้าแล้วก็ย้อนกลับเข้ามาพิ่เจนาป่าช้าผีดิบคือตัวของเราและซากกระสบต่างๆที่เต็มอยู่ภายในตัวของเหล่านี้ให้กระจายลงไปเป็นสภาพอันหนึ่งอันเดียวกัน แล้วความว่าหญิงว่าชายว่าเขาว่าเราว่าราักใครชอบใจมันก็กระจายหายไปจากอ่าความจริงเพราะนี่เป็นความจริงแล้วข้วามจํำปรมมันจะอยู่ไม่ได้มันต้องกระจายตัวไปนี่ท่านเรียกว่าปัญญาะพิจาราแยกแยกเช่นนี้อยู่โดยสม่ำเสมอแล้วก็เข้าสู่สมาธิในขณะที่เราจะพิจารณาจิตให้เป็นความสงบเย็นใจอย่าไปกังวลกับ อาการของสติปัญญาด้านใด ม, มดุมใดว่าตอนนั้นพิจณายังไม่แจง้งตอนนี้พิจณายังไม่ชัดเวลานั้นพิจณายังไม่แจง้งแจง้งชัดเจนไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปหมายให้ย้อนเข้ามาสู่ความสงบอย่างเดียวเท่านั้นเรียกว่าทำงานคนละเวลาหน้าที่ขนาที่ทำจิตให้สงบให้มุ่งจุดเดียวเพื่อความสงบธนาพอจิตออกจากความสงบแล้วมากน้อยก็าตามให้แยกจิตออก ดูปิดออกสู่ปัญญาพิจารณาไข่ควรดูเป็นไปหมดโลกธาตุนี้มีอันไดที่มันแตกต่างกันบ้างละ่ะในโลกนี้จิตถึงได้หลงโลเลเสียตั้งแต่กลับไหนกันใดมาจนกระทั่งบัดนี้ไมีเวลาอิ่มพอมันมีอะไรที่จะให้อืได้หลงเพลิดเพลินมันมีตั้งแต่ของเก่าของเนา่าของเหม็นของปฏิกูลสโสโครกเต็มโลกเต็มตมงังสารนี้มันตื่นห้าลายจิตนี่ ปัญญามีทําไมจริงแม่ไปสอบสองดูของจริงทั้งหลายเนี่ยเหล่านั้นเป็นตของจริงนั้นนี่ชื่อว่าปัญญาเมื่อพิาจารณาแจ่มแจ้งเอาเราจะสรุปลงไปโดยลําดับลาดาพเพื่อให้พอเหมาะกับการปฏิบัติและเวล่าเวลาเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ทัทง้งเช้าทั้งสายบ่ายเย็นอียากวต่า ง, างๆโดยสม่ำเสมอแล้วเราจะค่อยทราบทัดถึงความจริงทั้งหลายมีอาุภาอาุพังเป็นต้น จากนั้นก็จะค่อยกลาลงไปเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นนาตาแล้วทีน่นี้พอสุดท้ายลงไปในแยตราักทั้งสามประเภทนี้จะเป็นส่วนใดส่ว น, นหนึ่งแน่นอนที่จะเด่นชัดภายในใ จ, จิตใจมากกว้นายรักทั้งหลายเช่นทุกขังจิตมันมีความหนักแน่นมีความติดพันในทุกชอบใจในการพิจารณาทุกก็เอาพิจารณาทุกลงไปไม่ผิดไงจิตมันมีความติดพันมีความชอบมีความสัมผัสในอนิจจังก็เอาพิจารณาอนิจจังลงไป จิตมีความหนักแน่นในอนัตตาก่ายพิาอนัตตาลงไปถูกด้วยกันทั้งนั้นนี่เวลาละเอียดลงไปแล้วจะลงสู่ใจลักด้วยกันทั้งนั้นเมื่อลงสู่ใจรักแล้วมันจะหมุนตัวเข้ามาสู่จิตตามปกติก็เข้าสู่จิตอยู่แล้วแต่เวลาละเอียดเข้ามาจริงๆแล้วจะเข้ามาสู่จิตโดยลําดับลําดาผลที่สุดร่างการของเรานี้มันก็เห็นได้ครับ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 เมื่อทราบชัดโดยลํำดับแล้วจะปล่อยวางเข้ามาปล่อยวางเข้ามาเมื่อปล่อยวางเข้ามามากน้อยภาระที่เราแบกเราถามให้หนักหน่วงท่วงจิตใจมาเป็นนานนานนั้นจะค่อยเบาบางลงไปเบาบางลงไปจนกระทั่งถึงปล่อยวางเข้ามาในธาตุในขันธ์ของเราโดยลําดับปล่อยเข้าไปจนกระทั่งเสือกิจขันธ์ตั้งห้าปล่อยลงไปด้วยปัญญาดู้ชัดตามความจริงด้วยปัญญาปล่อยวา ง, งไปจนกระทั่งเข้าไปถึงรากแก้วแห่งภพแห่งชาติทั้งหลาย คืออะไรนั่นแหะที่นี่นี่แหละที่เรากล่าวทั้งหมดนี้ล้วนแล้แต่เป็นอริยสัจนะอย่าเข้าใจว่าการพูดนี้ไม่ใช่พูดอริยสัจพูดเรื่องเกิด เ, เจรเจตตาอสุภะอสุภะ อ, าภาอาภนินจจสุขังตะตาไม่เป็นอนิจะจจะเป็นอะไรมันเป็นอริยอริยสัจทั้งนั้นนี่นี่แหละอริยสัจทํางานทํางานอย่างนี้เองทำงานด้วยปัญญาเมื่อถึงขั้นปัญญาเก้าแล้วเก้าวไปโดยลําดับลำดับแล้วก็มาทราบตนโดยลําดับจนกระทั่งถึง ธรรมชาติที่มันฝังจมอยู่ภายในจิตใจท่านเรียกทางศัพท์ธรรมว่าอาวิชาทา่านเรียอาวิชามันฝังอยู่ภายในจิตรู้แต่ไม่แจ้งถ้าแออก้แล้วนะ่ะมันมันมันรู้แบบงูปลาปลารู้อย่างโลกทั้งหลายรู้นี่แหละแต่มันหาทางออกไม่ได้ไม่ใช่วิชาคือรู้อย่างชัดเจนชัดเจนแ จ, จน่แจ้งนะ่ะแต่คนที่แก้ารู้นะ่ะนีเวลาพิจารณาเข้าไปจริงมันไม่มีที่จะพิจารณา ต่อยลไปลงไปหมดแล้วหมดทางต่อยหมดทางรูถอยตัวเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ที่ตรงไหนจิตมีความสัมผัสตรงไหนจะเจ่อเข้าไปตรงนั้นตรงนั้นสุดท้ายก็ไปสัมผัสสัมพันธ์อยู่ที่จิตเท่านั้นเองเพราะอาการทั้งห้านี้หมดไปแล้วด้วยดังที่เคยพิจารณาและได้เคยอธิบายมาแล้วหลายครั้งได้ผลจนกระทั่งถึงจิตตวิชาถึงท่านนั้นแล้วเหมือนกับเราสาวเทวันเข้ามา สู่ลำต้นของมันสู่กอของมันรากของมันล่ะถอนพวดขึ้นมาที่ตรงนี้แล้วมันจะมีกี่เส้นกี่สายยาวเหยียดมากน้อยเพียงไรก็ตามมันจะบันลายตายไปด้วยกันหเมื่อถอนรากแก้วมันขึ้นแล้วนี่ก็เหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกายจิตอันเป็นทางเดินของวิชารูปเสียงกินนรดเครื่องสัมผัสอันเป็นที่ไปเกี่ยวข้องรูปธรรมของจิตที่เป็นวิชามันถอนเข้ามาถอนขึ้นมาจนกระทั่งถึงรูปเวทนาสัญญาทั้งขามยินยัน มันเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นที่เป็นอาการของกิจได้จะออกมาจากวิชามาสําคัญมันหมายก็ถอนตัวเข้าไปก็ เ, เหลือแต่ธรรมชาติของวิชาอันเดียวเมื่อตัดทางเดินของวิชาแล้วอวิชาก็สุดไม่มีทางไปบริษัทบริวารถูกตัดถูกขาดตัดสะพานก็ไปหมดเหลือแต่วิชาเหมือนกับ ว, ว่าลากแก้วอันเดียวเท่า น, นั้นถอนพวดขึ้นมาด้วยปัญญายาอย่างทราบอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งกระเด็นออกจากกันแล้วพบชาติอยู่ที่ไหนที่นี่ นั่นมันชัดเจนอย่างนี้การปฏิบตัตินี่แหละตามร้องรอยความจริงเข้าไปดังที่กล่าวมาสักครู่นี้นี่แหละภาคปฏิบตัติคือตามเข้าไปอย่างเนี้ยจนกระทั่งถึงอวิชชาจริงๆแล้วเป็นอย่างไรและอะไรเป็นพบเป็นคาตดพาให้เกิเกิดจากจะต า, ายคืออะไรก็คืออันนี้เองนี่พอถอนนี่ไปแล้วอะไรจะพักเกิดอีกที่นี่หมดไม่มีอะไรที่จะสืบ ต, ต่อแล้วธรรมาชาติอันหนึ่งคืออะไรคือความบริสุทธิ์อันนี้ว่าอะไรที่นี่มันไม่มีอะไรแต่ว่า อริยสัตว์เป็นาการแต่และอย่างละอย่างเป็นเครื่องการกรองธรรมชาติที่ให้บริสุทธิ์เมื่อธรรมชาตินี้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วอริยสัตว์ก็หมดหน้าที่ไปเช่นทุกกรมจัก์มีแต่ว่าในธาตุในขันธ์เท่านั้นพาในจิตใจไม่มีอีกเลยมั่นะเพราะสมุทัยไม่มีนะมกักก็มีตั้งแต่เวลาแก้ีิเลสตัณหาสวะเท่านั้นเมื่อแก้กิเลสตัณหาสวะแล้วปัญญาที่เรียกว่ามังมันั้นก็หมดหน้าที่ไปจะเหลือแต่ปัญญาที่จะ ใช้ไปตามสมมุตินิยมข้ออัดข้อธรรมที่แม่ทัพสั่งสอนโลกสงสารต่อไปเท่านั้นที่จะแก้ทีเดือดตัณหาไม่มีอีกแล้วปัญญาก็ดีเพราะเรื่องอที่เลือดมันหมดแล้วอวิชชาหมดแล้วปัญญาประเภทสังหารนั่นมายก็หมดปัดหน้าที่อันเดียวกันนิโรธความดับทุกข์ทุกข์ดับไปแล้วมานิโรธที่ไหนอีกมันก็นิโรธผนเดียวเท่านั้นเมื่อเต็มที่แล้วนิโรธเพียงผลเดียวหมดก็ทําหน้าที่ผ่านไปแล้วเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโทเท่านั้นนี่แหละพระเจ้าเอาธรรมชาตินี่แหละมาสั่งสอนสัตว์โลก พระอรหันต์ท่านเอาธรรมชาตินี่เลยมาเป็นรากใหญ่เป็นรากฐานสําคัญสั่งสอนจัดโลกโดยอาศัยอาการแห่งขันนี้เป็นเครื่องแสดงออกแห่งผลประโยชน์ต่างๆที่จะให้เกิดประโยชน์แก่โลกทั้งหลายเห็นดังที่ท่านแสดงทำมาอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าไม่มีขันแสดงไม่ได้นะมีแต่ความมือจุดล้นลวน้วนนี่แสดงอาการออกมาไม่ได้ว่าดีว่าชั่วเป็นยังไงไงจึงต้องอาศัยตัวนี้เป็นเครื่องแสดงเด้วย น, นี้ขอให้ทุกท่านตั้ง อ, อกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ขอจะเห็นสิ่งใดแป็นสิ่งที่สําคัญมากยิ่งกว่าภาคปฏิบัติที่จะตามร่องรอยแห่งภพแห่งชาติของตัวเองเข้าสู่ความจริงคืออวิชชาปัญญาสร้างคาราอันเป็นรากฐานสําคัญแห่งภพแห่งชาติให้เห็นประจักษ์ด้วยปัญญาและถอนพวดขึ้นมาและหมดปัญหาโดยสิ่งเชิงไม่มีคําว่าอาดีตคำว่าอนาคตไม่มีสิ่งใดมาปรากฏทำนั้นเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นสมมติทั้งมวลธรรมาชาติบริสุดนั้นหาสมมติไม่ได้แล้วให้เชื่อแต่เพียงว่า ดิมดเท่านั้นนี่แหละผลในการปฏิบัติธรรมสดสดร้อนร้อนอยู่กับท่านผู้ปฏิบัติย่าเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานหมดเข็ดหม ด, หมดสมัยไปแล้วนอกจากโมคะบุรุษเท่านั้นโมคะจตตรีโมคะภิกษุเท่านั้นจะให้กิเลสมันต้มมันตุนทั้งวันทั้งคืนถ้าจะพูดในทางความดิีความดีแล้วให้กิเลต้มเอาว่าไม่มีไม่มีถ้าทําชั่วขี้เกียจชี้ค้านทอแท้อดแด่ได มีความดุดเดือดในทางที่ยวและการทำชั่วแล้วไม่มีถอยตายก็ตายได้วันนังคำไม่มีความสะทกสะท้านไม่มีความกลัวไม่มีความบาดเทียวไม่มีความเฉิดหลับนี่เรื่องของดดกิเลสหลอกคนหลอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นจงให้เห็นความเฉิดหลาบเพื่ออดุธรรมและจะเห็นเรื่องของดดกิเลสตัวหลอกลวมถ้านีใจและถอนพรวดออกมาแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงฉันขอให้ทุกท่านตรงนี้นตั้งอกตั้งใจคือปฏิบัตินี่เวลาครูบาอาจารย์ไม่อยู่ก็ขอให้เคารพตน ถ้าเคารพจะเตรียมครูบาอาจารย์แล้วมันจะมีที่แย่งกีฬานั้นไม่ใช่ธรรมนะธรรมแท้อยู่กับตัวของเราอริยสัจอยู่กับตัวของเรากิเลสอยู่กับตัวของเราสติปัญญาที่จะแก้กิเลสตัวมันลืมเนื้อลืมตัวอยู่กับตัวของเราขอให้พากันตั้ง อ, อกหงใจเพื่อปฏิบัติต่อตัวของเราเองอย่าไปสําคัญมั่นหมาย ก, กับสิ่งภายนอกยิ่งกว่าการแสดงออกของอาจจะทําทั้งสี่นี้มันจะแสดงออกทางไหนมันแสดงยกโทษคนอื่นก็นั่นแหะคือสมุทยัยคือกิเลสแสดงว่าคนนั้นไม่ดีผู้นี้ไม่ดี คนนั้นสูงคนนี้ต่ำคนนั้นน่าตำหนิคนนี่ น, น, าา น, น, น, น่าชมมันร่วงแน่ตั้งแต่เรื่องของกิเลสที่มันออกมาจากใจให้สติทันมันนะถ้าทันมันแล้วมันจะระงับตัวนี้ก็ไม่เป็นมานจากตัวเองและไม่เป็นมาลแก่ผอื่นไม่ละแค่ละคายู้อื่นเพราะดับตัวละค่ละคาออกจากตัวนี้แล้วตัวนี้เป็นตัวเสียเหนียดกันหลายให้พากันระมรวังตัวนี้ให้ดีแล้วจะอยู่ด้วยกันเป็นสุขเป็นสุขพวกเราทั้งหลายนี้เป็นผู้ที่หากิเรศมาขาความทุกข์ความทรมานความรมาุ่งพวามห ล, ลงมาเดียกันเวลานี้หวังจะ ในข้ออ่านข้อทําจากครูจะอาจารย์มาชํ า, าระศาสตร์างตัวเองอย่าให้กิเลสมันมาชําระเรานะมันจะมาฟันหวัวเราให้แหลกด้วยกันเนี่ยทะละบอกเลี้ยงกันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลมันอับอายขายขายีหน้าที่สุดเลยไม่มิดอะไรที่จะเลวสามยิ่งกว่าวงสนณะเฉพาะอย่างยิ่งวงปฏิบัติทะเลาะกันมขออย่าให้ได้ยินเกิดมาในภพนี้ชาตนี้กับหมู่กับคณะสั่งสอนหมู่เพื่อวความเต็มบกเสียนใจด้วยความเมตตาสงสารเต็มเมตเต็มหน่วย สิ่งที่เป็นพึงหวังอยากให้ปรากฏขอให้ท่านทั้งหลายได้เห็นอกเห็งใจของผู้แนะนำสั่งสอนได้ตั้งหน้าต่างๆทั้งรวมระวังตนเองและความผิดเถืเอนซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจขยาให้มันดีดดีหนึ่งมาได้เอาให้มันแหลกให้เห็นต่อหน้าตาเจ้าของนั่นแหละดีกว่าที่จะไปทําคนอื่นให้เกิดตัวกฎเกือนให้เขามาให้คะแนนเราว่าเราดีอย่างนั้นและเราก็ไปตัดคะแนนเขาว่าไม่ดีนั้นเป็นเรื่องของสมุทัยฆ่าสังหารกันไม่เป็นท่าเป็นทางเลยเนี่ยจึงขออยติดกันเท่านี้อัลพอเหนื่อยแล้ว ปรเทศนี้ไงล่ะไปมันเล่นใสญ่ล ะ, อะตอนนี้นเนมันเป็นประเทศแล้วมันมันมันหมุนอันนี้ไงล่ะดูดูดูแล้ไม่มี <c oughs> ไม่มีวิชาใดาเลยที่จะคนพบความจริงได้เหมือนวิชาของพระพุทธเจ้าวิชาธรรมเรียนจบว่าไกลไปหนุกก็จบเธอละเรียนวิชาธรรมก็ดีถ้าไม่ไม่ไม่นำตามแบบพระพุทธเจ้าทรงสอนไวปริยัพ พอจําวิธีการเนี่ยแล้วให้ดําเนินตามนั่นล่ะนั่นล่ะการดำเนินตามอยู่ตามรอยแหละทริงจริงทั้งไปเจอจนได้ลงลากแก้วมันก็คืออวิชาปัญญาตามมาจากนู่นเหมือนกับเทวันมันเลื่อยออกไปนู่นนู่นกระจายไปมันเลื่อยออกไปมันเกิดขึ้นจากเงาเดียวก่อยมเทานี่ออกนู่นเทานู่นออกนู่นเทานู่นออกนู่น มันเลื่อยเอาไปจากตาหูจมูกล่างกายเนเลืเอ่อยจากปัญหาลูกเสีย ง, งกินนวดก็มันผัดทั่วโลกก็ทัดออกไปจากกอเนี่ยใครก็ไม่รู้ที่ตามแต่งงเงาไปเรียนก็เรียนตามแต่งงเงาไปพอทพ่าปพฏิบัติจะย้อนเนี่ยตามบ้างตามบ้างมาหลวงพ่อพระพุทธเจ้าและสาวกัเก็มาพบความจริงก็งจะสงสัยไปไหนก็มาเจอต่อหน้าต่อ ต, อตายังไม่สงสัยที่ไหน อะไรก็ตามถ้าลงไปเตอเขาแล้วมันจะสงสัยที่ไหนไม่เคยเห็นมันก่อไม่สงสัยหรอจะเตอือนีน่นี่ก็ผมก็ทั้งน้่งเขาก็บอกมาแล้วเนี่ยจะต้องไปตทางเที่ยวในราวันที่ยี่สิบตอนเย็นนี่ไปนี่กปนังจะต้องเข้าโรงพยาบาลอะไรอะไรีไราแล้วก็มันถึงจะไปที่มองไทย นี่การตรวจโรคนี่ก็เป็นสิ่งจําเป็นเพราะมันเจี๋ยเข้าโรคหัวใจเวลาผ่าตัดนี่มันเจี๋ยเข้าโรคหัวใจหากโรคหัวใจไม่สะดวกมันก็ผ่าตัดไม่ได้เนี่อยาที่เราจํายอมจะต้องตรวจโรคนะโรคทุกส่วนพอสมควรแล้วถึงจะได้ผ่าตัดดังนั้นขอให้หมู่บ้าอดูกันด้วยความเป็นสุขด้วยความสงบอย่าให้มีเรื่องอาารอะไรการเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาให้ถือเป็นกิจจําเป็นสําคัญมากสําหรับเราแต่ละทท่านในวัดนี้อย่าได้ละได้ถอน งานอื่นอย่าเห็นเป็นน้ำขันนะผมไม่เห็นงานใดเป็นนําคันเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นแม่ครูบาอาจารย์มั่นเราก็พาดำเนินมาไม่เห็นงานใดเป็นนําคันยิ่งกว่างานงานนี้เป็นงานสาคัญมากสาหรับพระที่จะลื้อถอนตนออกจากทุกทั้งมวลให้มันเสร็จสิ้นไปเสียนั่นล่ะเป็นของดีเลิศไอ้ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายจมเนื้วฟูๆแล้วจมเนี้อมันมันเป็นอยู่นี้มาตั้งกับตั้งกันเง้ยแต่ละพกประชาติแต่ละคนละคนแต่ละรูปละนามเราเนี่ยไม่มีใครสงสัยแหละ ถึงจะของอสงสัยเรตามหลักคำจริงไม่มีสงสัยเป็นอย่างนั้นมาแท้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะธรรมชาติที่เล่ามันจะกู้นิพพานให้เป็นนี่เมื่อถอนนั้นย่างแน่จริงหายสงสัยทิ้ง ไ, ไม่บอกก็หายเองไม่มีใครบอกก็าตามถานที่จะโกวเป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้วบอกกับตัวกับคนเอาละเลิกกันแล้วทีนี้